ตอนอบรมคอร์สนาวมินครั้งที่4ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม2560ตอนที่4ใครมีคำถา ม, ถามยกมือสวดเลยก็ได้แลกเปลี่ยนเนาะจะได้คนอื่นได้ยินด้วยปกตินี่เจอทับที่บอกว่าที่ชาวตุรกีเลยที่หมุนที่36ชั่วโมงอะไรเนี่ยหมุนเวลาเดียวกันเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลย ครูบาอาจารย์ตุรกีนั้นพ่อปูไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงนะท่านเป็นเป็นคนที่ประวัติศาสตร์พอสัมผัสได้ตอนนี้อยู่ตุรกีย่านที่ทำเราเคยไปไปกราบอัถิซึ่งเป็นพระธาตุท่านเป็นผู้ชายแต่ทันกว่าปีที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซฟีนะโซฟีแดนส์นะอันนี้เขาหมุน36ชั่วโมงในไม่กินไม่นอนอะไรเลยเนี่ยนะมันรวมรวมพลังพุ๊บมีจิตราเบิดดวงตาเห็นร มันพิสูจน์อะไรว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่ของาศาสนาใดบังเอิญพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไปตัดสรุปมาแล้วพระองค์เน้นเรื่องนี้เรื่องพ้นทุกข์อย่างเดียวแต่าศาสนาอื่นเขาเน้นเรื่องอยู่กันเป็นแบบสันติเฉ ย, ยๆทําความดีนะเขาไม่ได้เน้นวิปั ส, สนานะแต่พระพูเชื่อว่ า, าศ า, าสดาไร้ศาสดาท่านก็บรรลุธรรมแต่บางทีบรรลุธรรมพระอรหันต์แต่และรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าบารมีเท่ากันนะแต่สิ่งที่ท่านเหมือนกันหมดคือท่านพ้นทุกข์แล้ว แต่ท่านไม่ไม่บางอาจจะไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในล่างเจ้าชายสิทธตถะอันนี้เป็นเจ้าแห่งพุทธะนะนานๆนนจะมีดวงจิตแบบนี้ดวงหนึ่งเขาไม่ใช่บรรลุธรรมเฉยๆท่านสามารถรู้โลกรู้จั ก, กรวันรู้ทั้งหมดแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ได้แต่พระอรหันต์เจ้าที่ช่วงหลังมาเนี่ยแค่บรรลุธรรมแล้วก็เราก็ผลทุกส่วนตัวไม่บางอาจจะมีปัญญาขนาดนั้นนะ ทุกคนทําได้แต่นี่ไม่ได้ต้องจากกันเราฝึกชาตินี้นะแน่นอนเราเราทาก่อ น, นแรกๆมันกังเกงกังถ้าจิตมันเร็วพุ่งเนี่มันจะรีว า, ายไปดึงเอาอาดีตบรารมีที่เราฝึกมาแล้วมาน ะ, ะพี่แพรไปบวชแค่ไม่กี่วันพรากครูไปนั่งดูแล้วก็ฟื้นวิชานี้แต่และดวงจิตเรามีหลายวิชาอยู่ในนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะเอาวิชาไหนมัเป็นวิชาหลักมาสอนจิตปัจจุบันบางคนไปทันสายพระโพธ่สัตว์ควรอิม บางคนไปสายทางอินเดียบางคนไปสายวัดเศ้าลินนะมีพระซึ่งเป็นคนไทยไทยเราอยู่ทางเหนือไม่รู้เรื่องพวก น, นี้หรอกพอจิตเดิมปุ๊บไปเป็นวัดเศ้าหลินนะก็เอาขอบวนท่าที่เขาฝึกมาดิทำได้เลยนะลํากระบอง ล, าลําอะไรตีลังกาได้เลยนะมันมันลื้อฟื้นของเก่าอันนี้เราเรียกว่าปัญญาขบวนการที่ลมลำไม่ใช่ลำํำเฉยๆส่วนมาก ตอนนี้เขารำเหมือนเหมือนรำบูชาอะไรเนี่ยนะในขณะเดียวกันเขาก็จเจริญมรรคจิตของเขาสะสมแต้มไปเรื่อยๆ เ, เพราะเวลานี้เราไม่มีเวลาคิดละไม่มีเวลาไปสร้างกรรมนะเราจดจ่ออยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอันนี้นะคือสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยบริบูรณ์นะเป็นเป็นอะไรเราอะมรสมังคีมันไม่ได้แยกมันอยู่ด้วยกันหมดเลย ก็นะแค่นี้เราทาไปเรื่อยๆเราสะสมแก่พอถึงเวลาที่มันเหมาะสมเดี๋ยวธรรมนะจัดสรรเรมนุษย์เราอย่าบางอานไปสั่งให้นั้นสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเราไม่ได้เก่งขนาดนะั้นนะมนุษย์เรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเท่านั้นเองเขาจะเกิดเมื่อเขาจะเกิดไม่ใช่เราตั้งใจไปเรียนจบปริญญาตีโทเอกเราตังไม่ใช่เรียนเอาแบบนั้นนะมันมนุษย์เราไม่เก่งพอที่จะสั่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น แต่มนุษย์เรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นทีนี้วิธีเตรียมความพร้อมเราบุญเยอะนะไม่ต้องไปสแสวงหาวิธีไม่ต้องลองถูกลองผิดเกิดมาก็เจอคําสอนสุดยอดแล้วนะเจ้าชายยาิ่งัดพระองค์ลองมาหมดแล้วทุกคําพูดที่พระองค์แต่องออกมาเนี่ยไม่มีผิดเพีย้ยนไม่แต่หนึ่งอย่างอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจแค่ไหนแล้วเราจะปฏิบัติจริงแค่ไหนในะยุคนี้เนื่องจากว่าการแข่งขันเหมือนขายสินค้าละ่ะบางที ไม่มีอะไรขายก็อเอาคำสอนพุทธเจ้านะมาขายแล้วบอกว่าทุกคนต้องมาท่องจาท่องจำเราไม่ได้เกิดมาท่องจาคำสอนพุทธเจ้านะเราเกิดมาเพื่อทำตามที่พุทธเจ้าทาเห็นไหมมันมันเป็นกายเป็นซื้อขายอะไรกันไม่รู้นะปฏิบัติเองเพราะครูไม่ได้บอกพี่แพรให้หมุนแบบนี้นะนะเพราะครูหมุนแบบพี่แพรไม่ได้นะเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเนี่ย อย่าบังคับให้ลูกศิษย์ทำเหมือนตัวเองมันไม่เหมือนกันอย่าไปกดศักยภาพเขาจิตตละดวงนี่เขาฝึกมาไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าครูบาอาจารย์หลังจากท่านแตกฉานจริงๆเรารู้ว่าละจิตตละคนนะชี้ทางให้เขาเจริญด้วยตัวเขาเองอย่าไปเอาวิชาที่เราชอบเนี่ยไปสั่งให้เขาทำตามเราอันนั้นเป็นกรรมนะเหมือนการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยเราใช้หลักสูตรเดียวสอนทุกคนเท่ากันหมด มันไม่ใช่นะจิตแต่ละดวงนี่เขามีบา ร, รมีของเขาเขาสะสมบา ร, รมีวิชาที่เขาเรียนมาไม่เหมือนกันเนี่ยแค่ลง เ, เปิดปล่อยให้จิตอิสระจิตเดิมเรารู้เองว่าเขาจะเอาวิชาที่เด่ดที่สุดของเขาเนี่ยมาต่อยอดให้จิตปัจจุบันนะคือนั่นแหะครูบาอาจารย์ที่แท้จริงต้องไม่บังคับให้ศิษย์ทำเหมือนตัวเองเพราะมันไม่เหมือนกั น, นจะทําเหมือนเองได้ไหมเห็นไหม บางคนมาแย้งบอครูว่าอย่างนั้นเนนมันดีก็เก่งกว่าพุทธเจ้าสิเจ็ดขวบวดแค่แปดวันเป็นอลหาหันแล้วเนี่ยยาวนีนอยังมาเที พ, พุทธเจ้ามันคนละเรื่องไม่ใช่บรรลุธรรมเร็วกว่าก็จะเก่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ต้องสาสางคดีความทั้งหมดต้องแตกฉานทุกอย่างเห็นไหมพระองค์ชาติสุดท้ายเนี่ยต้องใช้เวลาหกพรรษาเนี่ยลองถูกลองผิดนะ พระองค์เขาเรียกว่าพุทธเจ้าคืออะไรเจ้าแห่งพุทธะส่วนพระละหันเจ้าทั้งหลายก็แค่บรรลุธรรมพ้นทุกข์เท่านั้นเองอย่บาบังอาจไปเปรียบเทียบกับพระองค์เนาะอย่างนี้พระหียะเป็นพ่อค้าธรรมดาไม่รู้เรื่องศาสนาเลยตอนนั้นออกหนังสือสามชั่วโมงเนี่ยนาะยาธิธรรมขอร้องอขอขกพ่าครูรู้อยู่แล้วสังคมไทยเป็ น, นยังไงพอออกไปปุ๊บทั้งดอกไม้ส่งไปที่ศูนย์ทั้งก้อนอิดตามไปด้วยแต่ทั้งสองอย่างพระครูเม่รับ แต่พ่อครูก็ไม่ต้องไม่ต้องให้อภัยด้วยเพราะว่าพกก่อครูไม่ได้ตัดสินว่าเขาผิดเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละได้ยังไงได้ยังไงอวดอุตลีหรือเปล่าพระพุทธเจ้ายังต้องหกพรรษาเลยนี่สามชั่วโมงันรลุธรรมอย่าบังอาจเป็นแบบเกียรเทียบพพุทธเจ้ามันคนละเรื่องน้องทาความดีเขาว่าหน่อยก็ให้เขาว่าเถิดมีแต่ว่าเราหลบนะเราสร้างกรรมทั้งจิต บ, บริสุทธิ์แล้วเนี่ย เมื่อเราเฟียงบุ่มมาแรงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่ชนอะไรมันกลับไปถึงตัวเรานะอย่าทำนะเนี่ยมันตีกลับก็เป็นโท เ, นะเองนะจิตอริาตเนี่ยเขาเาไม่ง่ที่จะไปรับหรอกนะช่วงปฏิบัติจิตในจิตบางครั้งรู้สึกว่ามีแรงหมุนอยู่ภายในเร็วมากแต่ร่างกายหมุนตามไม่ทันสัตทักแรงหมุนนั้นก็หายไป ต้องทำอย่างไรครับช่วงนานาจิตดังเสียงเพลงดังขึ้นก็เต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงแต่ไม่รู้ว่าสมองสั่งหรือจิตสั่งปฏิบัติถูกไหมครับนรกสวรรค์โยบาลมีจริงไหมครับเป็นสามคำถามนะออปฏิบัติจิตในจิตบางครั้งรู้สึกว่ามันมีแรงหมุนอยู่ภายในเร็วมากแต่ร่างกายหมุนตามไม่ทันนะสักพักแรงหมุนนั้นก็หายไปต้องทาอย่างไรครับ นต่อไปเขาเรียกว่าสมาธิกำลังสมาธิมันได้แค่นั้นบางทีเราเผลอปุ๊บไปเผลอคิดเอ๊ะทำไมมันมันเบาลงมันหยุดเลยเพราะว่ามันไม่เป็นหนึ่งเดียวเราขโมยเวลาเราเนี่ยไปคิดนะมันก็หยุดเลยนะหยุดปุ๊บก็ทำใหม่จนมันชำนาญแล้วจะนี่มันจะยาวขึ้นมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเราอยากให้มันหยุด แรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างน้นอยๆนี่เราเห็นเราเห็นแล้วบางอย่างว่ามันมีแรงหมุนไงชีวิตเราเคยรู้ไหมว่าในในั้มันมีพลังแบบนี้อะไรหมุนเหรอเราเคยเห็นไหมเห็นไหยอย่างน้นอยๆเราเห็นความจริงแล้วว่าเรามีพลังอย่างหนึ่งมันหมุนอยู่ข้างในนะไอ้หมุนนี่คืออะไรใครหมุนเนี่ยเมื่อจิตมันออกมาจากใจแล้วเนี่ยมันเกิดแรงเดี๋ยวมันก็เกิดแรงหมุนอันนี้คือธรรมจาก เราเห็นทำด้วยธรรมะจักสูตจักสูตภายในคือตัวนี้แล้วเราเห็นมันแรงหมุนนี่ยคือวิปัสสนาเราเห็นมันแรงหมุนเราเห็นว่ามันเร็วมากเราเห็นว่ามันหยุดเราเห็นธรรมแล้วเราเห็นความจริงแล้วว่าไอแรงนั่นก็ไม่ขี่หลังยั่งยืนมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆนี่คือวิปัสสนาไม่ใช่ไปเห็นสวรรค์เห็นนรกนะไอสวรรค์นรกเนี่ยเขาเป็นนิมิตอย่างหนึ่งนะ เดี๋ยวเห็นสวรรค์เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวเห็นนรกก็หายไปเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วไงเมื่อจิตปัจจุบันนี่ไอ้จิตมันสัมผัสความเปลี่ยนแปลง บ, บ่อยๆพราะชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนอะไรเพราะเราฝึกมาแล้วนะก็ต้องทำอย่างไรก็คือมุนต่อไปช่วงนานๆจิตตางเสียงเพลงดังขึ้นก็เต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงแต่ไม่รู้ว่าสมองสั่งหรือจิตสั่งนะ ไม่รู้ล้วก็ดีแล้วนะรู้แต่ว่ามันเต้นก็พอแล้วถ้ารู้แสดงว่าไปแอบดูอีกนะปฏิบัติถูกไหมครับไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดทำต่อไปนะนรกสวรรค์โยบบานมีจริงไหมครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นข้าราชการเกษียณกระทระวงศึกษาอันนี้น่าจะเกือบสิบปีแล้วนะเขาได้ยิน พ่อครูบรรยายในเทปคัดเสร็จสมัยก่อนไม่มีซีดีนะมีเทปไห้กองเเล็กๆเพราะครูบอกสวรรค์อยู่ในหอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตบิดไปอุบลเลยนะเพราะว่าเขามีหน้าที่ที่รับเชิญไปแสดงธรรมนะเขากลัวพ่อครูจะสอนปิดเขาก็บิดไปอุบล น, นะเขาก็เข้าไปในศูนย์เขาก็ให้เกียรติพระครูนั่นแหะเขาบอกขอโทษนะเขามีอะไรสงสัยจะมาแลกเปลี่ยนพระครูเขารุ่นพ่อเนะี่ยบอกพุทพ่อไม่มีิติมรณนะ โอเคมีอะไรแลกเปลี่ยนเขาบอกว่าเขาคุึกกับมหาปรเิเดาเก้าอยู่วัดโพวงมาแล้วเนี่ยสวรรค์มีกี่ชั้นมีกี่ชั้นนรกมีกี่ชั้นนะเพราะครูบอกไม่มีได้ยังไงบอกฟังพวกะครูไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่มันไม่ใช่เป็นแดนแบบนั้นจิตมันเป็นทิพยเ์เราจะอาใครไปต้มเหรอเราจะอาใครขึ้นต้นนิ้วเหรอมันเป็นทิพย์มันไม่มีตัวตนะนะนรกเมืองไทยว่าออกมากับ น, นรกฝรั่งไม่เหมือนกันนะ ผีเมืองไทยต้องเป็นไม่น่าพักขนมนะผีฝรั่งเป็นแด็กคูล่าแต่เราจะเห็นอารกเราจะเห็นเรามีความรู้สึกเขาสะท้อนให้เห็นความรู้สึกว่าถ้านอรกไทยมันทุกข์เหมือนถูกต้มเราจินตนาการได้ใช่ไหมว่าถูกต้มมันสนุกไหมเออมันทุกข์เหมือนมันขึ้นต้นเยิ้วอย่างเงี้ยทำให้เราเห็นอารมณ์มันแต่มันไม่ใช่เป็นแดนแดนแบบนั้นแต่มันเป็นเลเวลเป็นชั้นๆว่าอุณหภูมิของความทุกข์ มันมีหลายระดับนะเทวดาเหมือนกันสวรรค์เนี่ยอุณหภูมิความสุขมันมีหลายระดับมันเป็นเลเวลมันไม่ใช่เป็นแดนแดนแบบนั้นแดนแดนนั่นก็กลายเป็นอัตรานะแล้วก็พระครูอธิบายแล้วก็่ว่มันยังไม่ชัดนะพระครูบอกคุณพ่อรู้จักเจ้าชายจิต่างไม่รู้อ่านหนังสือมารู้หมดเชื่อไหมว่าพระองค์ตัดสูตรทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาเชื่อสิ วินาจินั้นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าพระหลานจะถูกต้องสภาวะนิพพานจะไม่ถูกต้องทําไมจิตดวงนั้นไม่ไปอยู่เมือง น, นิพพานทำไมยังอยู่ในร่างเจ้าชายศิลธรรมสร้างศาสาหาขึ้นมาทําหน้าจิต 4, 5, สี่สิห้พรรษารู้อย่างนิพพานอยู่ที่ไหนท่านกาพกูเลยนะเข้าใจล่ะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตมันเป็นแค่ความรู้สึกของจิตมันรู้สึกสูงออกจากร่างมันก็สูง พวกนี้พวกเทวดาอยู่ไหนอยู่แถวนี้แหละมันคนลังยิตินะรู้สึกทุกข์ออกจากร่างมันก็ทุกข์อารมณ์เหมือนกันถ้าเราถอดกายชิมได้เราจะรู้สิ่งนี้นะรู้รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เลยไม่กังวลอะไรเลยนั่นคือนิ่งผ่านไงมันอยู่ในร่างนี้กันนะ่มันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกวันยิ่ผ่านออกจากร่างนี้ก็คือนิ่ผ่านนะ แต่มันไม่ใช่เป็นประเทศเธอประเทศฉันเป็นแดนแดนแบบนี้นะเพราะจิตมันเป็นทิพนะโดยเฉพาะพวกลุกกฐิวดาต่างๆก็ว่าลุกกฐิวดาทําไมลุกกฐิวดาเขาอาศัยพวกต้นไม้นี่มอยู่ไอ้พวกข้าไม้ตัดไม้ใหญ่ๆนี่ไม่ได้ตายดีหรอกตายหัวงมดทุกคนนะก็ค่านตอบว่าสวรรค์นรกมีจริงนะยงพบาลมีจริงไหมก็ไอ้จิตที่เขามีหน้าที่ทําเนี่ย ใครสั่งให้ฟ้าผ่านะเคยเคย ร, รู้ไหมนะใครควบคุมฝนฟ้าใครควบคุมอะไรพวกนี้นะนะตอนนี้ฝรั่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะคาดคะเนเอาเนี่ยบางทีฟ้าผ่าเขาถ่ายรูปเห็นนะมันไม่ลงจากข้างบนนะมันขึ้นมาจากข้างล่างทีนะใครควบคุมเรื่องนี้นะที่ศูนย์เราเจอพวกนี้เยอะแยะนะ บางทีไม่มีฝนเลยนั่งอยู่ขั้นสาลาเนี่ยเดี๋ยวเห็นลุง ก, กินน้ำขึ้นมาเนี่ยเห็นใระดับระจับสายตาเนี่นะวันนั้นพักูเห็นพักูเฮ้ยมาดูมาดูวิ่ง ม, มาปุ๊บมันหายไงพักูบอกทําให้ดูอีกมันก็ขึ้นมาอีกจริงๆนะเรื่องพวกีต้องฝึกจิตเราถึงจะรู้นะไม่มีฝนมาจะเม็ดหนึ่งนะที่ศูนย์เมียพระมีอะไรแปลกๆที่ให้เราเห็นที่จริงแล้วมันไม่ได้แปลกหรอก เพราะว่าเรามันเพนเพียรนี่ยี่สิบแปดปีไม่มีวันหยุดเราเปฏิบัติบูชาทุกวันยกตัวอย่างว่าเรามีเพื่อนใช่ไหมถ้าเราเป็นนักกินเหล้าเนี่เราหลับตารู้ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์นี้มันจะไปไหนพวกขี้เหล้าก็ไปนั่งกลุ่มกันใช่ไหมเออถ้าเราตีก๊อบเนี่ยเราหลับตารู้ใช่ไหมมันจะไปไหนเห็นไหมจิตวิญญาณเหมือนกันนะพวกเทวดาก็มีหลายสเปซซี่นะพวกติดสุขก็ไปอยู่ที่สวํางานๆนะ พวกจิตซึ่งชอบบงเป็ญเพีย น, นก็ไปอยู่ในสถานธรรมต่างๆที่ปฏิบัตินะมันมันก็เป็นมันเป็นญาณของจิตน่ะที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณ น, นะเราฝึกจิตเราจึงรู้ว่าให้เราตายเราไม่จบนะไม่จบนะถ้าเราไม่ถึงขั้นนิพพานนิพพานก็ยังไม่จบนะเหมือนว่าเราจบแค่ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโลกนธาตุนี้นะเกมนี้จบแล้ว พระพุทธเจ้ายังอยู่นะจิตที่เรียกพระพุทธเจ้ายังอยู่แต่จิตดวงนั้นไม่มีเหตุต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์สมบัติมรุสมบัตินันกอสมบัตินะถือว่าไม่จำเป็นอย่าให้เขาหลอกไปทำบุญขึ้นสวรรค์นะนะไม่จำเป็นอย่าขึ้นไปเลยเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขติดกรรมดีก็ต้องไปเสพนะทาไมทุกข์มากต้องเสพสุข น้องเสื้อเขียวนี่ชอบกินผลไม้อะไรถ้าเลือกได้อบุงงนเนาะถ้าเรากินในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเรารู้สึกดีเนาะเออบางคนขี้เหนียวหน่อยกาลังอร่อยอยู่มีคนแย้งไปเลยเนี่ยรู้สึกฉุนนิดๆใช่ไหมบางทีโกรธเลยนะฉุนไหมไม่ชุนเลยมากโหเป็นคนเมตตามากเอ่ะทีนี้ป้องกันเพื่อไม่ให้เรามาสะดุดความอร่อยของเราเนี่ยนะนะพราะกูจะกั้นกําแพงไว้ห้ามคนอื่นเข้า แล้วให้เรากินอังนเนี่ยตลอดปีเลยไม่ต้องกินอย่างอื่นเนี่ยมันอร่อยไหมเนี่ยเทวดาทุกมากต้องเสียสุบเป็นกรรมดีต้องรับเพราะเราทำดีเราติดดีไปเสียเวลาอยู่บนสวรรค์นานมากไม่จาเป็นอยาขึ้นไปนะเสียเวลาชีวิตนะปฏิบัติสายตรงเนี่ยสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ใช่ทางปุุ เรามาปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสมบัติถ้าอริยสมบัติปุ๊บเนี่ยดวงใจทั้งขั้นต่ำสุดคือโซดาปนิมกปะเกอร์ชาติที่มันไม่จบมันจะเกิดเป็นมนุษย์ทันทีมนุษย์เท่านั้นเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่จเจริญมรรคจิตได้นะพวกพญานาคมังกรเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยเขาเป็นเพเพียรได้ระดับหนึ่งนะเขาพ้นทูกขไม่ได้ เขาก็เขาสร้างบา ร, รมีมาพอสมควรแต่ ก, กรรมก็หน่งาทำให้เขาเกิดไปตรงนั้นนะเขาจำสินได้นะนะงูก็ได้นะพระเจ้าท่างบอกสัตว์สิบชนิดนี้อย่า บ, บริโภคเขาเนี่ยนะพวกนี้มันบันทึกสัญญาเลยมันเกิดความเครียดแ้นเราไดนะ้เรื่องนี้เนี่ยถ้าเราเราฝึกจิตเราจะรู้ว่าเราเป็นมาหมดแล้วนะมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นที่จเจริญมรรคจิตได้ แล้วก็มนุษย์เป็นเราเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่แสวงหาความหมายเราไม่เคยพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีเราเป็นเลยเราก็ถึงไขว้ว้าไขว้าไขว้าแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากมนุษย์เราเป็นสิ่งเดียวที่แสวงหาความหมายถ้าความหมายเราตั้งถูกเราก็เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราบรรลุทําได้เป็นของผู้นะอยู่ที่เราจะเลือกเอานะสิทธิเสรีภาพเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ตรงไปก็ได้ เป็นสิทธิของเราเราเปลี่ยนชีวิตเราได้โดยกรรมปัจจุบันอนดีตเราเปลี่ยนไม่ได้เรามีหน้าที่มาจ่ายมันจ่ายมันจ่าย ม, าาย ม, าายมาันนะแต่ว่าบุญใหม่เราก็สร้างได้มีเท่าแก่ค น, น, อ, นอุบลเฮ้ยใช่สิพ่องครูเนี่ยบุญเยอะแล้วอย่างไร เ, เยอะแน่แน่ท่านไม่เยอะมันไม่ น, มนั่งอยู่ที่นี่ เหมือนฝนตกนั่นแหละโอ้อยากกินน้ําฝนจังเลยแต่ไม่ไปลองน้ำฝนไม่มีน้ําฝนกินไหมหรือว่าตัวเองบุญน้อยต้องทำเยอะๆสิใหญ่ที่ฝนเฉยๆนะยิ่งรู้ว่าน้อ ย, ยอะจะยิ่งต้องทําเยอะเห็นไหมทีนี้บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือวิปัสสนากรรมฐานได้บุญเยอะมากส่วนการทําบุญทําทานทําบุญทําทานบุญเกิดจากการให้ทานมีวัตถุทานธรรมทานอภัยทาน มีสามอย่างนะที่วันก่อนพ่กคูกันเกิดแล้วเราหาเงินมาเหนื่อยมากล้วสามารถแบ่งเงินตัวนี้ไปให้เด็กยากจนไปสร้างวัดไปช่วยเหลือสังคมนะอันนี้เรียกว่าวัตถุฐานไปใส่บาตรนะเราต้องดูแลนะนักบวชเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีอาชีพทำมาหากินผู้เจ้าสร้างบทุริบริษัท4ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทาหน้าที่ที่ต่างกันนะนักบวชมีหน้าที่ศึกษาธรรม ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องทำมาหากินแค่เอาบาตรเดินมาปึ๊บเขาให้อะไรก็ไปกินอยู่แบบสมมาาเรียมง่ายต้องมีศีลบังคับมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเธอเอาเปรียบคนอื่นเธอไม่ต้องทํางานนะเธอต้องกินน้อยใช้น้อยแล้วต้องเอาเวลาศึกษาธรรมทีนี้ญาติโยมเขาทํามาหากินก็ต้องแบ่งบันเวลานี่ยไปเลี้ยงพระเพื่อให้เขาอยู่ได้นะแล้วก็ไปทําวัตถุทานถ้าไปเจอพระจริงๆเขากลัวเป็นหนี้เราเขาก็ให้ธรรมาทานเราคืนไม่มีเสียหน้าต่างคนต่างได้ให้นะ ศาสนามันถึงอยู่ได้มาทุกวันนี้ส่วนท่านปฏิบัติได้แค่ไหนท่านทําดีแค่ไหนก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมของท่านไม่ใช่เรื่องเราเนีเมื่อกี้ถามถึยงยมบาลอันนี้ถึงเตือนว่าอย่าแย่งงานยมบาลทำนะนะไปตัดสินคนนั้นคนนี้เนี่ยพอตกนรกขึ้นไปยมบาลโกรธมากนะไอ้คดีความที่เราสร้างมาเนี่ยสิบชาตินะยมบาลบวกเข้าไปอีกสิบชาติในฐานะแย่งงานยมบาลทํำน ะ, นะไม่ใช่หน้าที่เรา อย่าไปตัดสินคนอื่นนิ่งเฉยตำลึงทองนะยงพบาลไม่ชอบนะคือว่ายงพบาลทําอะไรเราไม่ได้นะเขามีหน้าที่ตัดสินตามกรรมที่เราทํามานะก็พยายามมีอะไรนี่ที่ไม่ใช่เรื่องเราก็สัตว์แต่วรู้สัตว์แต่ว่เห็นไม่ใช่ว่าเรามองงอ ง, องอมืองอทาาไม่ช่วยเหลือสังคมนะช่วยเหลือสังคมก็ไม่ต้องทะเลาะกันก็นกนได้ก็ช่วยได้นะไม่ใช่ทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยมาช่วยนะ ดีก็ทำชั่วก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้นะมันไม่ไปไหนนะก็การทำทานมีสามอย่างหนึ่งวัตถุทานเพราะกูพูดเขา้าๆเอาบรรทัดฐานไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเถียงเขาอีกนะยกแต่ว่าเราทำวัตถุทานเนี่ยนะเออได้สิบคะแนนแต่ให้ธรรมทานพราะกําลังให้ธรรมทานอยู่ไม่ต้องเสียสต์พูดทีหนึง่งได้ยินหลายคนออกยูท b e อีกได้ยินหลายล้านคนเนี่ยปโยนมันออกวงกว้าง นะอันนี้เปรียบเสมือนได้ส0 3สบรสสคะแนนแต่สองอย่างสิบกับสามสิบบวกแล้วยังได้แค่4ี่สิบนะให้ธรรมทานร้อยครั้งยังไม่สู้กับอภัยทานแค่ครั้งเดียวอภัยให้คนเดียวเนี่ยละ่ะครั้งเดียวเนี่ยได้ห0สิบให้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นการทำทานเป็นอุบายในการขัดเกลาจิตให้ฝองใสเราทำบุญด้วยวัตถุ นะให้ใส่บาตรเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนลดไปสิขะแนนททำลายความโลภความตณีเราให้ธรรมาทานเราไม่เหนียวความรู้นะนะอันนี้ลบไปอีกสามสิบนะแต่เราให้อภัยทานเนี่ยลบไปหกสิบเราภูเขาขออกจากองค์ไม่งั้นแคนอยู่ตรงนั้นะสิบปียังไม่สายแคนอยู่ตรงนั้นละพอคิดถึงมันก็นอนไม่หลับอีก อันนี้เหมือนเราภูเขาออกจากโขกทั้งก้อนเลยอันนี้สำหรับคนที่ให้เนี่ยได้มากที่สุดถึงแล้วคนที่เราให้เขาก็ไม่ได้อะไรจากเราเลยนะบางทีมันไม่รู้ด้วยว่าเราให้อภัยมันนะแต่เราได้เต็มเต็มเลยอันนี้เนี่ยได้อา น, นิสงส์มากที่สุดในการให้ทานแต่ให้ทานทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วยังสู้เจริญวิปัสสนาไม่ได้ยกเดยีย ไอ้โจรคนหนึ่งมันยิ่งหนีตำรวจมามันไปป้นฆ่าเข้ามามันหนีไปอยู่ในป่าพราะว่ามันไม่รู้หรอกเรื่องศาสนาตอนนี้มันทุกข์มากเอให้มันทำยังไงบอกไก่โจรมันนั่งสมาธิไม่ใช่บอกโจรมันต้องมีศีลนะบางคนบอกต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นไม่มีสมาธิไม่เกิดช้อยสมาธิไม่เกิดจิตปัญญาไม่เกิดอย่างนี้ไอ้โจรเนี่ยชาตินี้มันไม่ต้องนั่งมันไม่ต้องปฏิบัติโจรมันนั่งสมาธิ พอมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาเนี่ยมันเห็นอดีตของมันนะมันเห็นผลแห่งกรรมปุ๊บเนี่ยมันหยุดเป็นโจรทันทีเลยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างธรรมดาอาชีพมันเนี่ยมันบอกว่าพ่อครูบอกว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะผมต้องพ้นทุกวันค่าวันละหนึ่งคนเพื่อจะไปเลี้ยงลูกเมียผมเป็นหน้าที่ผมไงมันก็มีเหตุผลนะครับแต่พอมันเบี่ยงปุ๊บเนี่ยพอมันเข้าไปถึงอดีตเนี่ยบารมีมันก็มีนะไอ้วนที่เป็นกรรมเนี่ยความอยากก็มันทําให้มันไปพ่นข้าเขา เมื่อมันเห็นทำตอนนั้นแล้วเนี่ยจากวันนั้นน่ยมันไม่ฆ่าคนเลยเนี่ยถามว่าคนรอดตายกี่คนถ้าวันหนึ่งมันฆ่าหนึ่งคนเดือนหนึ่งสาสิบคนปีหนึ่งสามหก้าคนเนี่ยสิปีกี่คนคนไม่ตายจากน้ํามือมันเท่าไหร่เห็นไหมวิปัสสนานี่เปลี่ยนชีวิตเราได้ทันทีอันนี้ได้อย่างมีสงฆ์มากที่สุดเนาะและการทําบุญทง ท, งทานเนี่ยในช่วงทานนี่นะศุนยตาทานเนี่ยได้อย่างมีสงฆ์มากที่สุดไม่ว่าวัตถุทานธรรมทานอภัยาทาน สุญญาตาทานก็คือทานโดยไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ไม่มีอามิตรศัพต์ว่าเหวี่ยงทิงเบาเราเลือกว่าให้คนนี้มันเป็นลูกหลานเราเราดีใจคนนี้ใั้ไม่ให้อันนี้มันมีผู้รับกับผู้ให้แล้วมันไม่บริสุทธิ์นะมันเป็นแค่กิริยาในการทําทานนะเป็นบุญกิริยาทั้งนั้นแต่ว่าจิตไม่เป็นกุศลเลยมันมีอามิตรฝึก บ, บ่อย การทําบุญทําทานก็คือสลัดออกสลัดออกมันก็ขัดเกลากความโรคความไปนี่เทานั้นเองบุญคือเบาบาปคือหนักถ้าทําบุญแล้วยังหนักอกหนะักใจอยู่เนี่ยนะมันเป็นบาปเออทําบุญไปแล้วนะนะเหมือนตัวโยนเงินโ ย, ยนเงินลงไปในน้ําตุ้มบรรลบุญแล้วจบแค่นั้นเบาแต่ถ้าไปโดวน้ํามุดไปดูว่าเงินท่นไปไหนเนี่ยตามบุญไปแล้ว น, นี่ทรมานสังขารเนี่อันนี้เป็นบาปนล ทุกวันนี้พ่อคุณนานออกมาทีนึงก็ได้ยินการทำบุญอย่างนี้นะเออทำบุญไปแล้วมันนั่งรออยู่สองชั่วโมงไม่ประกาศชื่อสักทีการทำบุญของเราเนี่ยทำลายความโลภใช่ไหมมันมีสามโลภกดหลงนะเออทำลายความโลภแล้วต้องการชื่อเสียงอีกเพิ่มความหลงขึ้นมาอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดเนาะมันไม่ใช่สุญญตาทานสุญญทาน กนคือสลัดออกจบนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสขัดเกลียวความรวมความตัณย์แล้คนอื่นไม่รู้ช่างมันวันเด็กนักเรียนที่ศูนย์นะบางทีเขากวาดใบไม้บ้ า, บางเพราะเขาอยากว่าให้ครูเห็นไงเออกวาดใบไม้ครูเห็นมันจะได้คะแนนนะอันนี้พวกคูให้สิทธคะแนนแต่ถ้ามันเข้าไปในห้องน้ําไม่มีใครเห็นเลยมันถูเอาถูเอาถูเอาแล้วมันไม่ได้ปแล้วไอ้ใครทําสกปรงเนอันนั้นร้อยร้อยร้อย้อคะแนนเลยคนอื่นไม่รู้แต่จิตมัน ถ้าคนฉลาดต้องทําแบบนั้นนะนะถ้าไม่มีคนทําสกรปรกแล้วเราจะทําความสะอาดได้ยังไงนะมีมีพยาบาลคนหนึงตีสะอาดมากนานๆมาเยี่ยมพ่อครูทั้งจากมากราบแล้วก็ถือไม่กวาดถือมอะไปถูสาลาถูไปด้วยขบวนไปด้วยไอคนพวกนี้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไม่รู้จักตั้งทนความสะอาดอะไรทั้งเนี่ยพอเสร็จแล้วพ่อครูบอกว่าความดีที่คุณทําเมื่อกี้นี่มันหมดไปเลยนะ บนอยู่ตรงนั้นแหละยังไม่ขอบคุณเขาอีกถ้าเขาไม่ทําให้มันสุกกับบกแดีวคุณจะมีหน้าที่ทำให้มันสะอาดได้หรือยังคนฉลาดอย่าทําอย่างนั้นนะไหนไหนก็เสียเวลาสเสียจ่ายเงินแรงงานแล้วก็ให้เป็นบุญสิอันนี้ทําบุญตามบุญนะ่ะไม่ใช่บุญนะนะไม่ใช่บุญนั่นแหละอาจารย์ตั๊กมออยนั่นแหละไปที่เมืองจีนเนี่ยจกยักรพรรดิผูกคนนิมนต์ไปสนทนาธรรมอยู่ในราชวังท่านก็รายงานว่าท่านสร้างวัดร้อยกว่าวัด ดูแลภิกษุหลายพันรูปใช้ผู้คนเนี่ยผู้รู้เนี่ยหนึ่งพันคนมาแปลพระไตรปิฎกสร้างวิทยาลัยสอนศาสนาจักพัทธ์หูถามอาจารย์ตักมมว่าท่านได้อะไรอาจารย์ตักมว่าจักพัทธ์ไม่ได้อะไรเลยเตรียมตัวตกนรกชั้นเจ็ดโกรธมากแต่ไม่กล้านะอาจารย์ตักมเนี่บรารมีท่านดุมากถ้าเป็นคนอื่นโดนตัดคอแล้วไ เมื่อท่านมีสติท่านก็ถามบอกว่าข้าทำความดีครูบาาจารย์คนไหนก็ทำทำความผิดถ้าจะตกนรกได้ยังไงอาจารย์ตั๊กมมบอกว่าทำบุญตามบุญไม่ได้บุญยังมาถามว่าจะได้อะไรกิเลสทั้งนั้นนะอยากให้ก็แท้สองชนเสริญแล้วก็อยากรวยเนี่ยตัวอยากเดียวกันนะอยากคือที่มาของทุกข์อันตรายมากนะนั่งอยู่เฉยๆยังไม่ตกนรกนะ ถ้าทำบุญเพาความอยากอยากดังอยากให้เค้ดแซ่ซองสรรเสริญไปถามว่าฉันเก่งไหมฉันดีไหมนั่นลหละมันไม่ใช่สุญญาตาฐานมันเป็นอาิ i t h ทีนี้เนื่องจากบรณฑิอาจารย์ตั๊กมอ์เนี่ยท่าบอกาจากักรพัฒน์วันทำข้าจะทำยังไงบอกว่าคืนนี้เที่ยงคืนไปหาท่านที่วัดไปคนเดียวเป็นจกักรพัฒนกล้าไปคนเดียวไหมกล้าไปไหม สุดท้ายไปพขานอนไม่หลับทุกข์มาก ไ, ม <laughs> ไปท่านก็นบอกว่านั่งหลับตาแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรนั่งหลับตาไม่ต้องกวนมานั่งหลับตาเฉยๆแค่นั้นจกกักรพรรดิเขาเห็นตัวเองไม่ต้องไปฝึก อ, อะไรทั้งนั้นแ่ะแค่นั่งเฉยๆ แล้วจเจนเอลรมตัวเองก็จเจนมาโอ้ทำไมเรามีความคิดว่าทำแล้วมันต้องได้อะไรเหไหมเราทำอะไรมันเป็นอามิดหรืเ ป, เป็นนักธุรกิจไงทำแล้วได้อะไรก็ได้ทำไงก็ได้ทำแล้วไงได้ทำความดีไปการให้ทานยังไงทานสิงภาวนาเป็นหน้าที่เรานะก็เพราะครูยี่สิบปีมาจากอเมริกาอยู่ในป่านั้นไม่มีความรู้สึกจะเป็นไหน ไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็ทําเงียบๆ ย, ยู่แลชุมชนไม่มีใครรู้จักพกอครูใช่ไหมพอถึงเวลาปุ๊บจิตมันบอกออกไปข้างนอกถ้ามีใจบอกตกใจนะไหนบอกต้องไม่มีเวทนาไงนะทําไมมีความรู้สึกออกไปข้างนอกไม่เป็นไรก็นั่งคุยกันเลยว่าทําไมเราพูดเองว่าหลังจากมันระเบิดเราบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมช่วยไม่ได้ เขาตอบว่ายังไงก็บอกทำเพราะทําไงทำมาคือหน้าที่หน้าที่คือทาําว่าทานศีนลบูพ ว, วนาเป็นหน้าที่ทำโอเคออกก็ออกออก็ออกมาให้ก็ออกมาให้ไม่หวังอะไรเห็นไหมพอออกมาทําหน้าที่อยู่ห้าปีออกหนังสือบรรลุธรรมทั้งนั้นก็เชิญไปท่านก็เชิญไปมาเจอช่วงเขาเล่นกีฬาศรีที่กรุงเทพเนาะเพราะศรีนี่เชิญไปศรีนี้นบอกพวกมันบอก บอกให้หยุดก็ไม่หยุดนะพราะุ๊กเลยหยุดเองเธอไม่หยุดฉันหยุดแล้วหยุดไปสองสามปีทีนี้ก็ออกมาอีกออกมาแบบฌานฉลาดแล้วนะแล้วออกมากายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขบางทีก็เกิดถึงศาสนาทุกทุกศาสนาบ้างแต่ว่าไม่เน้นศาสน า, าจิตวิญญาณไม่ใช่ศาสนาใดจิตวิญญาณไม่มีเพศส่วนศาสนาทุกศาสนามีประโยชน์ แต่เขาใช้อูบายวิธีที่ต่างกันทันใดเองอย่าไปทะเลาะกันแต่ตอนนี้สงครามศาสนากำลังจะเกิดขึ้นในโลนกใบนี้เพรากคูออกมาอย่างเี่เดี่ยไม่ต้องร่วมสัตรกรรมกับใครไม่ต้องไปสร้างกรรมร่วมส่วนใครเตือนแล้วฟังไม่ฟังคนไทยด้วยกันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่พ่อคูเกิดมาเนี่ยสีนี้ด่าสีนี้พ่อคูตามไปถามว่าเฮ้สีนั้นมันเป็นมันเป็นขมียนหรือเปล่าตามไปดูเป็นคนไทยนะ ได้สีนี้ดา่าสีนี้สีนี่เป็นพมา่าหรือเปล่าตามไปดูคุเป็นคนไทยคุณรักชาติไทยเป็นยังไงคุณไปด่าคนไทยกันเองมันสนุกนักเลยเป็นพ่ออะไรรู้ไหมที่ติมานะกกระตุ้นนะพวกเธอพวกชันมันเป็นสังคมซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้นะแต่มันเป็นแล้วมันไม่ได้ผิดนะมันเป็นตามเหตุแล้วมันถึงเวลารอระเบิดนะรอระเบิดคุยไปดเรื่องแนละ้ว สังคมโลกก็เหมือนกันนะเห็นไหมตอนนี้สังเกตดูนะทั่วโลกเนี่ยกลังเปลี่ยนผู้นาเกิดผู้นำอเมริกาฟ้าก็ส่งมิสเตอร์ทรัมมาเกิดไม่ใช่เขาอยากเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจริงมันเกิดมาเพื่อแบบนั้นไม่มันเกิดอยู่แล้วมันเกิดมาเป็นเพื่อเป็นแเพื่อเป็นเป็นแบบนั้นเพราะมันถึงเวลาไงจะไปถามว่ามันทาไมมันเช่นนั้นดอ แล้วที่นี่เราจะทำยังไงก็ทำใจไงอ่เราทำใจเราเตรียมตัวตายอย่างเดียวไม่ทำไปยุ่งแหบเคเขาถ้าเราไปร่วมสังกรกรรมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราต้องเตินโดนสะเกตดด้วยสัตลกเป็นไปตามกรรมนะไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวไปพื้นผลแห่งกรรมได้อย่างไรเอาแค่กรรมเราก็เอาไม่อยู่แล้วยังไปแยก ง, งานยุบบาลทาอยู่ระวังนะไม่สนุกนะ ยมบาลโกรธมากนะออในทางโลกเราไม่ใช่ศาลทั้งหน่อยนี่ไปตัดสินคนนั้นคนนี้ทีนี้มันปลูกกระแสไงการแข่งขันกับปลูกกระแสหาพวกไงถ้าเราไม่ไม่เพิอพูดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสนั้นเป็นแค่เกมให้คนอื่นเขาเล่นและสุดท้ายถูกก็ช่างผิดก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเพิ่มความเครียดเฉยๆนะสมัยก่อนกีฬาเป็นยาวิเศษนะ กีฬากีฬาเป็นญาวิเศษทุกวันนี้เป็นญาพิษหมดเป็นเกมกีฬ า, า, า, า, า, าเป็นการพนันเป็นธุรกิจการกีฬาเห็นไหมเอากีฬาเป็นการพนันค่าตัวแค่เตะฟุตบอลแก่งเฉยๆค่าตัวเป็นพันๆล้านคุณทำประโยชน์ให้สังคมโลกนี่อะไรบ้างแค่เตะฟุตบอลแก่งคุณต้องคุต้องเป็นเศรษฐีไอเขาแบกข้าวเนี่ย นักกีฬาเรื่องปิดไปยกน้ําหนักไอ้นาฟมากพอได้เหรียญทองมาคุณต้องเป็นเศรษฐีแต่ไอ้กรรมกรมันแบกข้าวเลี้ยงคนทั้งทั้งทั้งโลกเนี่ยมึงต้องเป็นคนจนเอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาคิดเนี่ยเล่าความสนุกสนานมากลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ฟุต บ, บอลเก่งแต่ไปผิดลูกผิดเมียเขาไม่มีศีลธรรมตกมือให้มันทุกวันเนี่ยมนุษย์เล่านอน้ังไงกีฬาตอนที่เป็นยาผิดละไม่ใช่ยาพิเศษ เห็นไหมเล่นกีฬาเนี่ยมันเพื่อให้เราแข็งแรงเป็นยาวิเศษแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเป็นเอาตายอยากเป็นแชมป์นะทำอะไรเกินตัวไปโชคมวยปุ๊บได้แชมป์โลกแต่ตอนนี้เป็นพาคินสันเป็นอะไรเป็นอัมพาตอัมพาตมันไม่ใช่ยาวิเศษอีกต่อไปมันเป็นยาพิษนะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ชีวิตเราเหนื่อยเหนืยใช่ไหมโอ้ให้กำไรกำไรชีวิตสักครั้งหนึ่งไปท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวสมัยโบราณเนี่ย มันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งนะมันเป็นการพักผ่อนอย่างหนึง่งแต่ตอนนี้กลายเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวอีกนะสมัยก่อนก็ท่องเที่ยวท่องไปเรื่อยๆไม่มีเงื่อนไขเวลาไปถึงที่ไห น, นจะตื่นกี่โมงก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่มันต้องตื่นตีห้าตื่นตีสีนะเพราะกูยี่สิบปีไม่ไปไหนพอเผอออกมาปุ๊บเนี่ยไปอินเดียนะไปนั่งรถเจ็ดชั่วโมงมันให้เราไปเที่ยวสิบนาทีบอกเที่ยวแล้วกลับเเ <c oughs> นี่ยท่องเที่ยวไง มันไม่ใช่มันเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องเล่งแต่เวลาเพราะมันค่าเช่าโรงแรมค่าเช่ารถอะไรเนี่ยนะพวกโอ้ท่องเที่ยวเป็นอย่างนี้เหรออันนี้เป็นยาพิดเหมือนกันไงมันไม่ใช่กําไรชีวิตนะมันกําไรกิเลสนะกําไรชีวิตนี่ทํางานเหนื่อยแล้วจะไม่ก็นอนจินอนพักผ่อนไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยนั่นแหละกําไรชีวิตนะแต่กิเลสมันไม่ชอบมันไม่สนุกไงเนียเอาเป็นว่าชีวิตเราไม่เคยพักผ่อนเลย ทำงานแล้ว ไ, ไปเล่นกีฬาเออเล่นออกกําลังกายเออกกายแล้วก็จิตใจผ่องใสไม่ใช่จิตใจก็หดหู ด, ด้วยเพราะกลัวแพ้ไปเที่ยวก็ให้มันผ่อนคลายหน่อยหนึ่งไม่ต้องเป็นเล่นตัวเองมากมายนะอันนี้กลับกายเป็นเหนื่อยกว่าเก่าเครียดกว่าเก่าอีกเราไม่มีเวลาพักผ่อนให้มันไม่เดี่ยงให้มันรู้ไปสิเดี่ยงแน่ๆเลยเห็นไหมแล้วก็ฮัลโหลฮัโฮโลวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงฮัลโหลยี่สบสามชั่วโมงครึ่ง ฮัลโหลน้อยนอยหน่อยหนึ่งไปที่ศูนย์น่ะไปที่ศูนย์บางคนเนี่ยจ้องอยู่นะคุยกับพ่อครูเสร็จปุ๊บเนี่ยร้อยเขากลับไปหมดเนี่ยกลับมาใหม่าพูดเบาๆพ่อครูหนูขอเบอร์หน่อยหนึ่งจดไว้จดไ ว, ว้โทรโททอย่าโทรถ้าพ่อครูหลวมตัวมีเด้อพ่อครูไม่ต้องทําอะไรฮัลโหลฮัลโหลอยู่ตรงนั้นแหะหูพังหมดเห็น <c oughs> ไ, ไหมจิตพ่อครูมันโง่โง่ดีแล้วมัน มันถ้าใช้โทรศัพท์ไม่เป็นมันก็เลยรอดตัวไงนะทุกวันนี้เราไม่ใช้มันไม่ได้นะแต่ใช้ให้มันเป็นอยากใช้ให้มันตายนะเลยว่าเด็กๆขี่มอเตซคยนั้นฉี่ให้มันเป็นอยากขี่ให้มันตายทุกวันนี้ตายตายตเลยคงตายหมดเห็นไหมไอนี้มีวัคซีนป้องกันไหมนักวิทยาศาสตร์ฉีดย้ายมันหน่อยให้มันไม่มีจิเลสได้ไหมเห็นไหมมีวัคซีป้องกันอุบัติเหตุไหม วิทยาศาสตร์เก่งแค่ไหนก็ช่างเราฝืนกดแห่งกรรมไม่ได้ไหไม่มีนะถ้าใครค้นพบยาวิเศษได้นะฉีดปุ๊บทุกคนเกลียดไม่มีเลยนะ่ยนะขายดีนะนะหลอดละแสนก็มีคนซื้อนะผลิตพีผลิตเรื่องอะไรเขาผลิตเขาเป็นนักการคา่าเขาจะไม่ได้ไม่ได้เงินเขาไม่ทำารนะพวกเราต้องกล้านะหมายถึงว่าพูดยังไงก็กล้าไม่ได้หรอกอ่านะ เราต้องมีสติมีปัญญานะถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็กล้าวางเราจะเลือกใช้แต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอยู่กับโลกนี้ให้ได้ไม่ต้องหนีโลกไม่ใช่ทุกคนเข้าไปอยู่ในป่าแต่ต้องอยู่ให้ได้นะคำว่าได้คืออะไรยังไม่พ้นทุกข์ให้มันสุขก่อนถ้าเราอยู่แล้วเราทุกข์เนี่ยเราอยู่แล้วมันเสียละเสียชีวิตถ้าทุกขต้องสะดวกแล้วว่า s o m e t h i n ลองละ ชีวิตเป็นของเราไงก็ของเราเราลักตัวเองแล้วทําให้ตัวเองทุกข์ทำไมรักจริงไหมหรือแกลักเฉยๆใช้ไหมถ้าเราํารวจตัวเองบ่อยๆเนี่เราไม่มีเหตุผลที่ทําให้ตัวเองทุกข์นะอย่าอดทนทํางานเพื่อความสุขจงทําตนให้มีสุขเมื่อได้ทํางานสุขทุกเมื่อที่ได้ทำแต่ถ้าเราไม่พึงพอใจกับงานที่เราทําเราสุขไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่อยากไปเราเบื่อเบื่อ เหนือยตังแต่ยังไม่ไปเลยถ้ามันจําเป็นต้องทํานะถึงเราจะไม่ชอบพระช่านถ้ามันจำเป็นต้องทําเร า, า, า เ, ปเปลี่ยนอารมณ์ใหม่สักให้มีฉันทะมีความพึงพอใจไม่งั้นเราเสียเวลาชีวิตนะกําไรความสุขทุกวันแล้วก็ปฏิบัติคู่กันไปด้วยสักวันหนึ่งผนทางแห่งการพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นนะก็พ่อกูจําไม่ได้ละน่าจะเป็น อาจารย์ตักมอลนั่นแหละก็คือบอกว่าเมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิดฉันก็ได้แต่เพียงเฝ้าดูจิตฉันเลื่อนไปโอเคนะก็จบแค่นี้ก่อนทุกคนเข้าห้องน้ำแล้วโปรแกรมอะไรจิตในจิตครับต่อไปจิตในจิตนะอินไซน์เอาอีกรอบหนึ่งอันนี้พรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะโอเคชั่วโมงนี้เอาเต็มที่เลยนะครับเข้าห้องดํากับาห้องน้า